ทำไมหลวงตาเรียนเก่งหลวงพ่อสอนให้เด็กๆทำสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนด้วยการเพ่งสายตาจดจ่ออยู่ที่ครูผู้สอนทำให้จิตมีพลังมีความทรงจำดีซึ่งท่านเองก็ใช้อยู่เป็นประจำตั้งแต่เป็นสามเณรเรียนนักธรรมบาลีทำให้ท่านประสบผลสำเร็จในการเรียนสูงมาก สอบเป็นมหาได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรหลวงตาเรียนบาลีจบไปแปลธรรมบททีเดียวสอบมหาสามประโยคได้ทำไมจึงสอบได้เพราะมันรู้ข้อสอบล่วงหน้าพอมันรู้แล้วก็ท่องเอาจนจำได้ไปสอบมันก็ได้สอบประโยคสเจ็บป่วยมาตลอดตั้งหลายปีหนังสือไม่ได้ดู แต่เพื่อนมาชวนไปสอบเอาสอบยังไงหนังสือก็ไม่ได้ดูไปลงชื่อเอาไว้พอเพิ่มจำนวนนักเรียนก็เอาเขาว่าอย่างนั้นเราก็อุตส่าห์เข้าลงชื่อไปสอบกับเขาไปสอบแล้วปรากฏว่าสอบประโยคสี่ได้หนังสือหลักสูตรประโยคสี่ยังไม่ได้แปลเลยเพราะฉะนั้นให้พยายามทำ พระท่านสอนสมาธิเดี๋ยวเนี้ยเชื่อไม่ได้ไม่เหมือนอย่างพระสมัยก่อนพอมีเชื่อได้อยู่สายลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนอกนั้นพอไปแล้วถามภาวนาอะไรตอบภาวนาพุทโธกลับบอกโอ้ยพุทโธอย่าไปภาวนาให้มันเสียเวลาเลยมันไม่ได้ผลอะไรหรอกเขาว่าอย่างนั้น ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องสนใจบุคคลสำคัญของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรรมศาสตร์สองพวกเนี่ยต้องสนใจให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศ า, ศศรรศาศสตร์คนที่ปฏิบัติสมาธิได้เก่งที่สุดซึ่งปรากฏผลทั้งรู ป, ปธรรมและนามธรรมคือฝรั่งไม่ใช่คนไทย คนที่สร้างจะรวดไปลงดวงจันทร์ได้คนแรกนั่นแหละนักสมาธิที่เก่งยอดเยี่ยมในเมืองไทยเราเนี่ยมามัวเถียงกันพุทธโทสัมมาอารหังยุบหนอพองหนออยู่นี่เขาไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวแล้วนักวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยเก่งแต่พูดเขียนหนังสือขายสร้างอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็น คนที่คิดเป็นรัฐบาลก็ไม่รับรองเครื่องคิดเลขที่เคาะปอกๆมีด็อกเตอร์คนหนึ่งอยู่สี่แยกปทุมวันเป็นคนคิดขึ้นคิดแล้วเสนอขายลิขสิทธิ์ให้รัฐบาลแกไม่มีทุนจะทำรัฐบาลไม่ยอมรับแกก็ขายลิขสิทธิ์ให้ญี่ปุ่นเครื่องคิดเลขที่เราใช้อยู่เนี่ยหัวคิดคนไทยไม่ใช่หัวคิดของคนต่างประเทศแต่ว่าเมื่อคิดได้แล้ว ทดลองได้ดีแล้วรัฐบาลไม่รับรองช่างอยู่ในกองช่างกลรถไฟสามารถสร้างล้อรถไฟได้เองแต่เขาคิดจะสร้างขึ้นเจ้านายไม่ให้สร้างต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเพราะว่าถ้าสร้างเองแล้วเขาไม่ได้ค่าเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยอย่าลืม ต้องจำเอาไว้เป็นชีวิตจิตใจ